เทวดาเต่าขอให้ช่วยบริวารกลางดึกคืนวันหนึ่งเมื่อปลายปีพุทธศักราช2533ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและลูกศิษย์จำนวนหนึ่งกำลังนั่งดูภาพยนตร์อยู่ในห้องรักษาการหน้ากุฏิของเจ้าประคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งออกไปเดินตรวจบริเวณด้านหน้ากุฏิก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่ง เดินมาจากทางด้านตึกกรรมฐานเมื่อพระภิกษุรูปนั้นเดินเข้ามาในระยะใกล้เจ้าหน้าที่ตำรวจในนั้นก็รีบเรียกกันด้วยความตกใจให้ทุกคนในห้องรักษาการออกมาด้านนอกด้วยพระภิกษุรูปนั้นคือเจ้าประคุณเมื่อท่านเดินมาถึงหน้าทางเข้ากุฏิมีคนกราบเรียนถามท่านว่าเจ้าประคุณออกไปจากกุฏิตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านตอบว่า เมื่อสักครู่มีเต่าตัวหนึ่งเดินสองขามาหาเราที่กุติเขาขอให้รีบไปช่วยพักพวกเขาอีกสามชีวิตซึ่งถูกคนจับใส่กระสอบกำลังจะพาออกไปนอกวัดจากนั้นเจ้าประคุณได้ให้ตำรวจรักษาการและเด็กวัดรีบออกไปดูบริเวณบันไดาทางขึ้นตึกกรรมฐ า, านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กลับมาพร้อมกับชายวัยรุ่นเนื้อตัวมอมแมมคนหนึ่งพร้อมกับกระสอบที่ใส่เต่าสามตัวเมื่อมาถึงกุติ เประคุณได้คอยอยู่ที่ห้องรับรองเมื่อนําชายวัยรุ่นที่ขโมยเต่าขึ้นเฝ้าเจ้าหน้าที่ตารวจได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายวัยรุ่นได้ให้การต่อหน้าเจ้าประคุณว่าได้เข้ามาขโมยเต่าบริเวณศาลากระเบื้องจากนั้นได้เดินผ่านหน้าตึกกรรมฐานเพื่อจะเข้าชุมชนหลังตึกกรรมฐานแต่เมื่อเดินเลยตึกกรรมฐานได้นิดเดียวก็เหลือบเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเยืนอยู่หน้าตึก ด้วยความกลัวจึงหลบอยู่ข้างบันไดทางขึ้นตึกและภิกษุรูปนั้นก็ยืนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งตำรวจและเด็กวัดมาจับตัวคำพูดของชายดังกล่าวได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนในที่นั้นเป็นอย่างมากและยิ่งเมื่อชายคนนั้นเห็นเจ้าประคุณในห้องรับรองก็ยิ่งตกใจและยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพระภิกษุที่ยืนอยู่หน้าตึกนั้นก็คือเจ้าประคุณเขาจำท่านได้ แต่ณขณะนั้นคิดไม่ถึงว่าจะเป็นท่านอีกทั้งยังประหลาดใจว่าท่านมาถึงที่ห้องนี้ก่อนได้อย่างไรเพราะขณะตำรวจมาจับนั้นยังเห็นท่านยืนนิ่งอยู่ที่หน้าตึกกรรมฐานนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ยิ่งสร้างความสงสัยให้กับทุกคน คือเจ้าประคุณท่านออกจากกุฏิไปได้อย่างไรโดยที่ไม่มีใครเห็นในเมื่อตอนที่ท่านขึ้นกุฏิในตอนหัวค่าทุกคนที่ถวายงานต่างก็เห็นกับตาว่าท่านขึ้นกุฏิแล้วทุกคนจึงได้ลาลงมาเฝ้าที่กองรักษาการหรือแยกย้ายกันไปตามหน้าที่ของแต่ละคนและทางลงกุฏิในตอนกลางคืนก็มีทางเดียวซึ่งต้องผ่านกองรักษาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เจ้าประคุณท่านบอกกับเราว่า เป็นเพราะเทวดาเต่าท่านได้มาขอให้ไปช่วยเหลือบริวาลของเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยในหลายๆเรื่องที่เราประสบพบมากับตัวและปฏิเสธไม่ได้ว่าความน่าพิศวงเหล่านั้นมีส่วนดึงเราให้สนใจในคุ ณ, ณวิเศษที่เกิดขึ้นจากพลังแห่งวิปัสสนาบารมีแห่งเทพและอีกหลายๆเรื่องของพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผู้ที่อยู่ในเหตุการ์ยังมีชีวิตอยู่ที่นำมาเล่าในที่นี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าการที่เกิดนิมิตเห็นว่าหลวงตามาพบหลวงตาแม้กระทั่งในความฝันสำหรับคนที่มีจิตบริสุทธิ์มีศีลธรรมและศรัทธาในองค์พระหลวงตาเป็นเรื่องจริงที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ขออย่าประมาทในสิ่งที่ท่านพารมลงชื่อคุณหลวง